ได้รัมของวิเศษรูแจ้งการเกิดใต้ทนสายหมพบลกโลอีปันญาย ทรงตรงแจ่มใจอาบีปันแข็งแรงบินตามถนนทํามดอกไม้คิวทัดเป็นภาพหลงตาไม่ควรละลา อ่อนน้อมอย่าโอหังอย่าอวดรู้ฉันที่มีอยู่ทุกเวลาทำที่หยาบยนเปิดความปัยญาแบบคดี ไม่กลัวอะไรแต่รู้เท่านนคิดไม่ตื้นที่รู้แจ้งเรื่องทำมาเปิดกว้างอ่อนโยนร้องร้องกันเหมือนรวงข้าวที่สุกพร้อมย่อมอ่อนน้อมอย่าโอหังอย่าอวดรูงาตาเบิกบา เมตามือนฟ้าดินอย่าลงชีวิไลโลโล